เจริญพรยท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่26มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 6เป็นวันพระวันธรรมสวรรนาวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชน ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างธรรมะที่เป็นสาวนะเป็นที่พึ่งของใจด้วยการทาบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะนี้ก็เป็นเหมือนปัจจัยศีของใจ เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของร่างกายร่างกายต้องการอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มันใดใจก็ต้องการอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเช่นเดียวกัน ธรรมะที่จะให้ปัจจัยสี่แก่ใจก็คือทานซึ่งเปลียเป็นเหมือนอาหารศีลซึ่งเปรียบเป็นเหมือนเสื้อผ้ า, อาพรสมาธิเปรียบเหมือนที่อยู่อาศัยและปัญญาเปรียบเหมือนยารักษาโรคใจถ้าเรามีปัจจัยสีทางด้านจิตใจ เกิดมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะมีที่พึ่งครบท้วนบริบูรณ์เหมือนกับที่เรามีที่พึ่งทางร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ร่างกายของพวกเราอยู่กันได้อย่างไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่กันได้อย่างสุขสบายเพราะมีปัจจัยสี มีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งหง่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราทำทานรักษาสิงนั่งสมาธิเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะมีปัจจัยสี ไว้ดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างรง่มเย็เป็นสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นพราะพุทธเจ้าจาึงทรงบัญญัติวันธรมมรมะสวัสวน์เพื่อให้พุทธบอยสัตว์ศีได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางร่างกายไว้หนึ่งวัน เราใช้เวลาหกวันดูแลรักษาร่างกายของเราขอให้เรามีสัปวาหหนึ่งมาดูแลรักษาจิตใจของเราที่มีความสําคัญกว่าร่างกายเป็นหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันแต่เนื่องจากพวกเรายังไม่เห็นความสําคัญของจิตใจเรายังไม่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นส่วน ที่สำคัญเป็นส่วนที่แท้จริงของเราร่างกายนี้เป็นเพียงส่วนชั่วคราวของเราไม่ใช่เป็นตัวแท้จริงของเราแต่เรามีความหลงหลอกให้เรามาหลงยึดติดกับร่างกายให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวที่แท้จริงของเรา แต่ถ้าเราพิจารณาดูตามความจริงแล้วเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทีรันถาวรเป็นสิ่งชั่วคราวไม่ใช้ขก้วเร็วร่างกายนี้ก็ต้องเสื่อมสภาพหมดไปต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและตายไปใไนที่สุดไม่ว่าเราจะดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนก็ตาม เราก็จะไม่สามารถยับยั้งความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของร่างกายไปได้ดังนั้นการที่เราใช้เวลาใช้ทรัพย์ ส, สินสมบัติเข้าของเงินทองมาดูแลร่างกายเรามากจนเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร าะไม่สามารถเปลี่ยนความจริงของร่างกายได้ที่ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องตายไปเราจึงไม่ควรที่จะให้ความสำคัญกับร่างกายมากจนเกินไปมากจนเกินความพอดีเราควรดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้ไปวันวันหนึ่งก็พอแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับร่างกายร่างกายหาอาหารให้รับประทานเพื่อให้ดับความหิว <c oughs> เพื่อไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> ก็พอแล้วอาหารจะมีราคาแพงราคาถูกก็ไม่สำคัญขอให้รับประทานแล้วทำให้ดับความหิวได้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ ก็พอแล้วเสื้อผ้าพรก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมีราคาแพงๆมีความสวยงามประดับเพชรประดับรอยเพราะเสื้อผ้าก็มีไว้เพียงปกปิดร่างกายเท่านั้นเองไว้ป้องกันความหนาวหรือป้องกันสัตว์มลแงต่างๆที่อาจจะมากัดมา มาทํา้ายร่างกายได้มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ไว้ป้องกันร่างกายไม่ได้เสริมความสวยความงามของร่างกายแล้วเราก็มีบ้านอยู่อาศัยบ้านจะเป็นบ้านเช่าก็ได้บ้านซื้อก็ได้ตายไปก็ไปไม่ได้อยู่ดีบ้านที่เราซื้อตายไปก็เป็นบ้านของคนอื่นไปถ้าเราไม่ได้ซื้อบ้านเราเช่าบ้าน เราก็ไม่ต้องมีสิ่งที่จะต้องสูญเสียเสียดายเวลาที่เราตายไปบ้านก็ไม่ต้องมีราคายแพงไม่ต้องเป็นปราสาตราชวังมีไว้เพียงหลบแดดหลบฝนป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายเท่านั้นเองอยู่ที่ไหนที่ปลอดภัยก็ใช้ได้อย่าไปหลงกับเรื่องของ การสร้างบ้านสร้างช่องให้ใหญ่โตมาโหฬารเพราะจะไม่ได้ป้องกันร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้อยู่ดีแล้วก็ยารักษาโรค ก, ก็หามาตามมีตามเกิดโรคภัยไข้เจ็บ่างโรคยาวิเศษขนาดไหนก็ไม่สามารถรักษาได้ดังนั้นเรารักษาไปตามกำลังของเรา โรคบางโรคไม่ต้องมียารักษาถึงเวลามันก็หายเองได้ถ้าไม่หายอย่างมากก็แค่ตายคนเราทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือมหาเศรษฐีก็ต้องตายเหมือนกันขอทานไม่มีเงินซื้อยามารักษาก็ตายมหเศรษฐีมีเงินซื้อยามารักษาก็ตายเหมือนกันดังนั้น เราอย่าไปหลงกับการดูแลรักษาร่างกายให้เกินความพอดีเอาพอให้มันอยู่ได้ไปวันวันหนึ่งก็พอแล้วสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญสิ่งที่เราควรจะมาดูแลกันให้มากมากก็คือใจของเราเพราะใจของเรานี่เป็นของเราอย่างแท้จริง ใจของเราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าใจของเราจะสุขหรือจะทุกข์เท่านั้นเองถ้าเราดูแลรักษาใจใจก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านเหล่านั้นไม่มีความทุกข์เลยเพราะท่านทุ่ม เวลาทุ่มสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่การดูแลรักษาใจออกบวชกันไปอยู่ตามป่าตามเขากันเพื่อที่จะสร้างปัจจัยสี่ให้แก่ใจก็คือทานศีล ส, สมาธิและปัญญาจนใจของท่านได้มีปัจจัยสี่ไว้รักษาใจ ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆพวกเราจึงควรทำตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้ากะเป็นวิธีที่จะดูแลรักษาตัวเราอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงการดูแลร่างกายก็เป็นเหมือนกับการไปดูแลคนอื่นไปเลี้ยงคนอื่นเขาไม่ได้เป็นตัวเรา เราไปดูแลเขาทำไมตัวเราทำไมเราไม่ดูแลเวลาทุกใครทุกใจทุกไม่ใช่ร่างกายทุกเวลาสดใครสดไม่ใช่ร่างกายสดใจสดต่างหากดังนั้นเราจึงควรที่จะมาหาปัจจัยสี่ให้แก่ใจเริ่มต้นด้วยการให้ทานทานนี้เป็นอาหาร ถ้าเราให้ทานแล้วใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอยิ่งให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความอิ่มเอิบใจมีความพอมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อของต่างๆเพื่อมาให้เรามีความสุข ู้เราเอาเงินนี้มาทำบุญให้ทานดีกว่าเพราะเงินที่เราซื้อไปกับการไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยหรือของที่ไม่จาเป็นหรือแม้แต่ซื้อของเช่นซื้ออาหารให้แก่ร่างกายถ้าเราเอาเงินนี้มาทำทานได้เราจะมีความอิ่มใจสุขใจมากกว่าการได้ซื้ออาหารมารับประทานให้แก่ร่างกาย กความอิ่มของทางร่างกายนั้นเป็นส่วนย่อยไม่ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับความอิ่มทางจิตใจเวลาจิตใจอิ่มเอิบนี้ถึงแม้ว่าร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารก็จะไม่รู้สึกเรือดร้อนใจอย่างใดแต่ในทางตรงกันข้ามถึงแม้ว่าร่างกายจะได้รับประทานอาหารอย่างเต็มที่ แต่ถ้าใจไม่ได้ทำบุญให้ทานใจกับไม่มีความอิ่มกับมีความหิวมีความอยากอยากจะรับประทานมากขึ้นไปเพราะว่าใจไม่ได้รับอาหารนั่นเองถ้าเราให้อาหารกับใจแต่ไม่ได้อาหารกับร่างกายมื้อหนึ่งลองเปรียบเทียบดูเราจะเห็นความแตกต่างกันอย่างวันนี้เป็นวันพระ เราจะเอาเงินที่เราซื้ออาหารเย็นมารับประทานนี้เอามาทำบุญหรือว่าซื้ออาหารให้กับคนที่ยากจนคนที่ไม่มีอาหารรับประทานแล้วเรายอมอดข้าวเย็นสักหนึ่งมือ้อเราจะเห็นความแตกต่างภายในใจเลยใจของเราจะมีความอิ่มเอิบมีความสุขใจถึงแม้จะไม่ได้กินข้าวเย็นแต่เรากลับไม่เดือดรอ้อน นี่คือวันพระพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาอดข้าวเย็นกันหนึ่งวันเอาเอาเงินทองที่จะซื้อข้าวเย็นนี้มาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าแทนอย่างนี้เราจะมีความสุขใจถึงแม้ ว, ว่าร่างกายจะขาดอาหารไปหนึ่งมือแต่จะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะความสุขความอิ่มของใจนี้ทดแทน ความอิ่มความสุขของร่างกายได้นี่คือเรื่องของทางที่เราควรจะทํากันอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการรับประทานอาหารที่เราต้องรับประทานอาหารทุกวันเราให้อาหารของร่างกายทุกวันวันละสามมื้อได้ทำไมเราให้อาหารแก่จิตใจวันละสามมื้อไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราไม่เห็นความสาคัญของใจนั่นเอง ถ้าเรารู้ว่าใจของเรานี้มีความสำคัญยิ่งกว่าร่างกายรับรองได้ว่าเราจะทำบุญทำทาวนวลาสามมืออยาได้อย่างสบายเลยดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมาทำทานให้อาหารกับใจดูแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของชีวิตของเราที่มีแต่ความหิวความอยาก จะลดความหิวความอยากลงไปได้เป็นอย่างมากเลยถ้าเราทําบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันถ้าไม่มีพระมาก็กเอาเงินใส่เงินที่จะใส่บาตรนี้ใส่กระปุกไปให้ก่อนหรือจะเอาไปทําทางให้แก่คนยากจนก็ได้หรือจะให้กับคนที่มีพระคุณกับเราก็ได้เช่นเบิดามานดา ผู้มีพระคุณทั้งหลายหรือจะให้กับญาติสนิทมิสาหายก็ได้ขอให้เราทำทำโดยที่เราไม่มีความปรารถนาต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เพื่อทดแทนบุญคุณก็ดีให้เพราะความเมตตาสงสารก็ดีขอให้เราให้ไป แล้วใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุขถึงแม้จะอดอยากขาดแคลนขาดอาหารบางมื้อก็จะไม่เดือดร้อนนี่คืออาหารของใจที่เราควรที่จะให้อยู่เรื่อยๆคือทำทานอยู่เรื่อยๆส่วนเสื้อผ้าพราของใจก็คือศีลดีเอง ศีลห้าศีลแปศีลสองเ็นี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าผอม ท, ที่จะปกปิดหรือทาให้ใจของเราสวยงามคนเราจะสวยงามไม่สวยงามไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจถ้าร่างกายสวยงามแต่ใจไม่สวยงามก็จะไม่เป็นที่ประทับใจถ้ามีรูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่ใจไม่มีศีลใจพูดปดใช้ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงค่าสัตว์ตัดชีวิตไปอยู่กับใครก็จะไม่มีใครยินดีที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยแต่ถ้าร่างกายไม่สวยงามแต่ใจสวยงามใจไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปด ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เสพสุรายาเมาไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะมีแต่คนชื่นชมยินดีมีคนอยากอยาคบค้าสมาคมด้วยเพราะไม่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ไม่ทำร้ายผู้นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่มีคนรักคนชอบเรา เราก็ต้องมีศีลเป็นเสื้อผ้าอภรรเราควรที่จะรักษาศีลห้าให้ได้ทุกวันแล้วในวันพระก็มาเพิ่มรักษาศีลแปดต่อไปก็เพิ่มจากวันพระเป็นสองวันเป็นสามวันแล้วไม่นานเราก็จะสามารถรักษาศีลแปได้ทุกวันในขณะที่เรารักษาศีลแปด เราก็จะสามารถสร้างที่พักที่อาศัยให้กับใจได้ก็คือสมาธิการที่เราจะนั่งสมาธิได้ใจของเราจะต้องไม่วุ่นวายกับการหาความสดทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่วุ่นวายกับการหลับนอนกับผู้อื่นไม่วุ่นวายกับการหาอาหารเย็นมารับประทานไม่วุ่นวายกับการหาเครื่องบันเทิตงต่างๆ เช่นดูหนังฟังเพลงดูละครหรือออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ใ จ, ใจเราสงบไม่ได้ปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีที่หลบภัยที่อยู่อาศัยเราก็ต้องทำใจให้สงบ ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนที่จะทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้เราก็ต้องระงับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะต่างๆเราต้องระงับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้ไกายด้วยการถือศีลแปหรือถือศีลสิบหรือถือศีลสรีิเจข้อผู้ที่ถือศีลเหล่านี้เป็นผู้ที่ ต้องการสร้างที่อยู่อาศัยของใจต้องการสร้างที่หลบดภัยคือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าไม่มีศีลแล้วไม่มีศีลแปลไม่มีศีลสิบหรือศีล2องอยีิเจ็ดแล้วจะไม่สามารถที่จะสร้างที่อยู่อาศัยที่หลบดภัยของใจได้คือจะไม่สามารถนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้นั่นเอง ดังนั้นเราต้องถือศีลแปดกันฮนะเริ่มต้นที่วันพระแล้วต่อไปก็ขยับเป็นวันก่อนวันพระและวันหลังวันพระแล้วหลังจากนั้นก็รักษาไปให้ได้ทุกวันเพราะถ้าเรารักษาได้แล้วใจของเราจะสงบจะเย็นจะสบายจะมีที่อยู่อาศัยเวลา เรารักษาศีลแล้วเราก็จะได้มีเวลาว่างที่จะมานั่งสมาธิได้ถ้าไม่รักษาศีลแปดเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวก็ต้องไปทำกับข้าวกับปาลารับประทานอาหารเย็นหรือไม่เช่นนั้นมีคนมาชวนให้ไปกินเลี้ยงก็ต้องไปออกไปกินเลี้ยงตอนค่าคืน แต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะได้ปฏิเสธได้ว่าไปไม่ได้วันนี้ถือศีลแปดไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่รับประทานอาหารเย็นไม่หาเครื่องบรรเทิงต่างๆมาเศษมาบำบุงบำเรอจิตใจเราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิกันมาเจริญสติก่อนที่เราจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราต้องมีสติก่อน เหมือนกับก่อนที่เราจะเดินได้เราต้องยืนให้ได้ก่อนถ้าเรายังยืนไม่ได้เราจะเดินไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีสติเราจะนั่งสมาธิแล้วทำใจให้สงบไม่ได้เราต้องเจริญสติคือเราต้องควบคุมความคิดของเราต้องให้ใจนั้นไม่คิดถึงเรื่องต่างๆให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบัน การจะให้ใจอยู่ปัจจุบันไม่คิดอะไรนี้เราก็สามารถใช้วิธีได้หลายวิธีเช่นให้อยู่กับคําว่าพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ให้ท่องพุทธโธพุทธโธไปอย่างเดียวใจของเราก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตจะอยู่ในปัจจุบันพอใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ในปัจจุบัน เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็ว เ, เวลาใจสงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนเหมือนกับเราเดินเข้าไปในห้องปรับอากาศเช่นถ้าเราอยู่ทครข้างนอกอากาศร้อนพอเราเข้าไปในห้องปรับที่มีเครื่องปรับอากาศเราก็จะได้สัมผัสกับความเย็นฉันใดเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธินี้ ใจเรามักจะรุ่มร้อนไปกับเรื่องราวต่างๆรุ่มร้อนไปกับความโลภรุ่มร้อนไปกับความโกรธรุ่มร้อนไปกับความหลงรุ่มร้อนไปกับความดีอกดีใจรุ่มร้อนก็ไปกับความเสียอกเสียใจรุ่มร้อนไปกับความหวาดกลัววิตกกังวลต่างๆนานานี่นี่เป็นสถานภาพของใจที่ไม่สงบจะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเรานั่สมาธิทําใจให้สงบได้แล้วความรุ่มร้อนต่างๆก็จะหายไปมีแต่ความเย็นความอิ่มความสุขความพอตามมานี่แหละเป็นที่ อ, อาศัยของใจเวลาใจมีความทุกข์ใจก็สามารถหลบเข้าไปอยู่ในสมาธิได้เช่นเวลาเรามุ่นหวายใจไม่สบายใจวิตกกังวล กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วความวุ่นวายใจต่างๆก็หายไปถึงแม้ว่าจะเป็นการหายไปชั่วคราวก็ยังดีกว่าที่ไม่มีที่หลบภัยเล ย, เ, ลยเราจึงควรฝึกสร้างสมาธิกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากจะรักษาหรือ ทำลายความทุกข์ใจที่เป็นเหมือนโรคของใจนี้ให้หายหอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้เป็นเหมือนยารัารกษาโรคใจถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถระ ง, งับดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้หมดสิ้นเลยแต่ก่อนที่เราจะมีปัญญาได้เราต้องมีสมาธิก่อนใจของเราต้องสงบก่อน ถ้าไม่สงบแล้วเราจะไม่สามารถสอนใจให้เกิดปัญญาได้ปัญญานี้คืออะไรก็คือการให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ถาวรสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่ของเรา เราไม่สามารถสั่งให้สิ่ตงต่างๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไปได้เช่นเราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถสั่งเขาได้ไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรถ้าไม่ทุกข์กับร่างกาย ตื่นขึ้นมาก็ทุกกับร่างกายแล้วต้องเข้าห้องน้ำแล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปาหาอาหารมรับประทานแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่้ายามาคอยรักษาแต่รักษายังไงไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องตายไปอยู่ดีนี่คือความทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายเราจึงไม่ควรไปยึดไปติดอย่าไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา อย่าไปอยากให้ร่างกายอยู่ไปแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเรายอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยมันไปมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันไปถ้าเราปล่อยเราเห็นความจริงเราจะปล่อยได้เมื่อเราปล่อยได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายต่อไป ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันเราอย่าไปคิดว่าเป็นของเราเราอย่าไปคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปนานเราอย่าไปคิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราเสมอไปเพราะเขาไม่แน่ไม่นอนบางทีเขาดีเขาก็ให้ความสุขกับเราบางทีเขาไม่ดีเขาก็ให้ความทุกข์กับเราบางทีเขาไม่อยู่กับเรา เขาก็จะให้ความทุกข์กับเราดังนั้นเราจึงไม่ควรไปยึดไปติดกับร่างกายหรือสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าเขาไม่แน่นอนเขาไม่จีรังถาวรเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดเวลา <Yeah. S 1> เขาให้ความทุกข์กับเราเขาไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นตามที่เราต้องการได้ ถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้พอเราปล่อยวางทุกอย่างได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าอะไรจะเจริญหรือจะเสื่อมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งนั้นนี่คือยารักษาโรคใจที่เรียกว่าปัญญา ถ้ามีปัญญาแล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเหมือนกับใจของพพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านไม่มีความทุกข์เลยเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองท่านจึงไม่ยึดไม่ติดท่านปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสบาย นี่คือเรื่องของปัจจัยสีของใจที่พวกเรามาสร้างกันในวันนี้ขอให้พวกเราพยายามสร้างกันให้มากๆขึ้นไปตามลำดับจากทางขึ้นไปหาศีลจากศีลขึ้นไปหาสมาธิจากสมาธิขึ้นไปหาปัญญาแล้วรับรองได้ว่าวันหนึ่งใจของท่านทั้งหลายจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรจะไม่มีความทุกข์ น้องเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปยังมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทางมารักษาสีมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็แห่งว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบั บ, บเพลนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนาะสุขภาพพลโดยทั่วหน้าการเธอ m m h m